พูดถึงในเรื่องของกลุ่มเดรัถีเดรัถีคือกลุ่มพยายามทำลายลาบสการะแล้วก็ใส่ร้ายพระตนตรยัยแล้วก็ที่เราจะเห็ น, นว่าแลวอีกอย่างนึงก็คือสร้างวัดแข่งแลเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นสมัยที่พระเจ้ า, าทรงประชนอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเจอหลักการเดียวกัน ของบรรดาบุคคลนอกรัฐิคำสอนเพระเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเก่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดมาแล้วก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะแสดงยมกักาปาฏิหาริย์ในปีที่เจดตอนนั้นลาบสการะเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าภิกษุสงฆ์จำนวนมาก ทั้งในราชคือในสาวัตถีในสาเกตโกสัมพีเวราาสีเนี่ยจัดําบัญชีสละทรัพย์ไว้ที่ประตูวิหารบ้างเช่นข้าพเจ้าขอถวายสองร้อบางพวกก็จัดเตรียมทายารรมใส่เวียนติดตามภิกษุสงฆ์เนี่ยจาริกไปที่ต่างๆในแยะว่าเป็นพันพันหมืน่นหมืน่มนเรื่องเวียนลาบสการะเกิดขึ้นกับภิกษุสงฆ์อย่างมากเลยเพราะด้วยความยิ่งใหญ่ของ พระพุทธเจ้าได้กำลังบุญของพรุทธเจ้าที่บาเพ็ญทานบรารมีเป็นต้นเหไรเนี้ยดูแลพระเพราะสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างเนี้ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับอัญญาเดรถีปริพาโชคที่นับถือรัฐินอกพุทธศาสนาที่เป็นปฏิปักิโดยตรงรวมถึงนักบวชที่นอกศาสนาด้วยที่มีทัศนะที่ตรงข้ามกับคำสอนเนี้ย พวกเขาก็อดทนดูลาบสการะของพุทธเจ้าไม่ได้ฤิษยาก็เกิดแรงฤิษยาก็เกิดคือทุกคนในยุคนั้นแทบจะไม่ใส่ใจกลุ่มของพวกตนเองเลยบายหน้าหาพุทธเจ้าพระธรรมพระยสง์เต็มไปหมดเลยทั้งลาบสการะทั้งชื่อเสียงของพุทธเจ้าของพระสงฆ์นี่ก็กระชอนมากจนถึงขนาดว่า ยามพบเห็นภิกษุที่ไหนก็จะด่าบริภาทกเกลี้ยวกราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่วาจาของสัตว์บุรุษเนี่ยพระเจ้าทราบว่าเปร่งอุทานปารบถึงความไม่มีอุปธิคือพระเจ้าไม่มีอุปธิคือกิเลสคือราคาโทสะโมหะพระอรหันตาา์าเจ้าทั้งหลายก็ไม่มีอุปธิคือกิเลสคือราคาโทสะโมหะฉะนั้นถึงจะถูกด่ายังไงด้วยคําพูดแบบ เสียสียังไงก็ไม่ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะการด่า น, นั้นไม่เป็นทุกข์เพราะการถูกด่า น, น, นทีนี้ในอัจฉกิยา ธ, าธรรมบทบรรยายว่าในปฐมโพธิการเนี่ยเมื่อสาวกของพระเทสโนมีมากหาประมาณไม่ได้เนี่ยการเกิดขึ้นของพระคุณของพระาศาสดาก็แผ่ลาบสาการะก็แผ่มากขึ้นเดิ๋ถีเนี่ยกลุ่มเดิ๋ยถีก็แสง เหมือนเหมือนแสงหิ่งห้อยอย่างนันกระแสงอาทิตย์พรากลุ่มเดรัธีเหมือนกับแสงหิ่งห้อยลิบลีลิบลีแต่พระธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกันแสงอาทิตย์เดรัธีเหล่านั้นก็เที่ยวยืนอยู่ตามท้องถนนประกาศแก่พวกมนุษย์ว่าพระสมณะโคดมเท่านั้นหรือเป็นพุทธเจ้าแม้พวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้าประกาศเนี่ยพร้อมเหมือนโซก็ไม่มีคนให้ ไ ม, ไม่ม่คนนันนะถือทานที่ให้แก่พระสมณะโคโดมเท่านั้นเลยมีผลมากแม้ทานที่ให้แก่พวกเราก็มีผลมากเหมือนกันเดี่วกันโฆษณาพวกท่านจงให้จงทำแก่พวกเราบ้างเมื่อยังไม่ได้สละลาภก็มาชมคิดกันแล้วในที่ลับว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงคือไปประกาศยังไงไปแสดง ข้อปฏิบัติยังไงไปบอกคําสอนยังไงก็สู้ไม่ได้อับแสงลงมากเลยในยุคนั้นก็เลยไปไประชุมกันในที่รับหาอุบายใดยที่จะยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าดีโนอเนี่ยคิดเนี่ยถ้ามองนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปรึกษากันที่จะทําลายชื่อเสียงพระพุทธเจ้าอยู่เนืองการท้าประลองฤทธิ์ก็เป็นแผนทําลายอีกแผนหนึ่งตอนนั้นไปท้าทะใช่ไหมในยมกับปฏิหารเนี่ย ตอนที่พระพุทธเจ้าจะไปจำรรษาที่เดาดึงในภาษาที่เจ็ดตอนนั้นก็เรื่องทากันนี่แหละกรมเดร ถ, ถีตอนนั้นก็คือไปท้าเพื่อจะแสดงฤทธิแข่งกับพระพุทธเจ้าพอรู้ว่าตอนนั้นพระุเจ้าห้ามเรื่องราวที่ตอนนั้นพระปินโทโรภาระทวาชะที่ห่อไปเอาไม้จันท์ที่เศรษฐีตั้งไว้บนยอด บนยอดบนยอดยอดยอดยอดออใช้ไม้ปักเป็นสาวไว้แล้วไปแฝงไว้บอกถ้าใครอยากถ้ามีพระอริยะจริงๆมีคนมีฤทธิ์จริงๆให้ห่อไปเอากรมเจรทีก็ไปคุยบอกเจรตีบอ ก, ะบอกจะถึงขนาดนั้นเลย อ, อยาให้จานเราต้องแสดงฤทธิ์เลยลงมาให้เถอะเจรตีก็ไม่ยอมเรื่องนี้ยพระปินโรพระภาระธวร า, า, วาชาห่อไปเอาโอ้โหยห่อไม่ห่อเปล่าห่อแล้วจะแสดงฤทธิ์เล่น เล่นในกรงราชเครื่นี่ปั่นป่วนกันมากเ พ, พราะพระเทเรศเนี่ยยืนอยู่บนพลานหินก้อนหินขนาดใหญ่โมหูมาใหญ่กว่านี้เนียแล้วเหยียบบนก้อนหินลอยไปทั้งก้อนหินเหมือนกับจานบินไปเอาไปเสร็จแล้วยังลอยโว้ยคนหลบกันเป็นแถวเป็นแนวกลัวก้อนหินหลุดใส่บ้านเลยมาไปาที่ไหนก็อุย้ยดูกันใหญ่ออกมาดูมุดหนีหมุดหลบหนีกันเพราะพอลอยมาที่ตรงไหนต่างคนก็วิ่งหลบกันเนี่ยนะสนุกสนานแล้วต่อมาพระเถเรศก็กลับ โอ้ยพอกลับไปในี่ดี๋นี้ประชาชนดีพวกตื่นลิศเนี่ยพวกตื่นลิศอยากเห็นลิศเนี่ยไปที่วัดกันเสียงอึงคันึงเลยดเดี๋นี้พระเจ้าถามมาเสียงอะไรว่าคนตามมาดูพระพรบินโตละปาแต่วา่าจะเนี่ยมุเี่ยเนี่ยพระเจ้าเลยห้ามการแสดงลิศพรดิลัทธีรู้ว่าพระพเจ้าห้ามในการแสดงลิศไปท้าพระเจ้าแสดงลิศแข่ง ดูนี่นะพระพุทธเจ้าพูดตรัสหนึ่งไม่มีสองแมพระุทธเจ้าก็เลยแสดงยมัคติปฏิหารที่แสดงฤทธิ์แล้วก็บอกเอ้าในพระุทธเจ้าห้ามพระพุทธเจ้าห้ามแต่สาวกไม่ได้ห้ามตนเองโหห้ามแต่สาวโอ้โหงานนั้นแสดงฤทธิเดรถี แสดงฤทธียิ่งใหญ่ย่ำยีพวกเดรัทธีทำให้พวกเขากระเจิงเวลาเสร็จปฏิหารปุ๊บก็เสด็จไปยังดาวดึงตามแบบอย่างพระพุทธเจ้าได้ปางก่อนที่ประพฤติมาจำพรรษาในดาวดึงแล้วเนี่ยพอออกพรรษาก็ลงจากดาวดึงใช่ัหมหมู่เทวดาและผมไม่ใช่น้อยห้อมล้อมเสด็จลงสู่ประตูสังกัสรอนุคห์ชาวโลกในวันที่เสด็จลงมาเนี่ยมี ตัดโลกได้บรรลุสามร้อยล้านก่อนจะขึ้นไปวันที่จะขึ้นไปก่อนเข้าบรรษานั่นบรรลุสองร้อยล้านเชื่อไหมไม่มีเราสักคนเราไม่อยู่นน่นเลยสองร้อย <c oughs> ท่านบอกว่า คั้งนั้นพระพุทธเจ้ามีลาบสการะไหลท่วมท้นไปทั่วชมพูทวีปเหมือนแม่น้ำห้าสายไหลามาบรรจบกันเดรัตถียิ่งเสื่อมจากลาบสการะหนักยิ่งขึ้นพวกเขาก็เลยคิดวางแผน เ, เนี่ยแผนที่ทําลายลาบสการะทาลายพระพุทธเจ้าพิกษตสุสง่งโดยการใช้นางจินจะมานวิกาแผนแรกในแผนที่หนึ่งเลยเนะ ใช้นางปริพาชิกาจินเจมานวิกาเนะี่ยที่เลอโฉมอยู่ในบทพาหงใช่ไหมเสด ว, ว่าไงบทพาหงที่พูดถึงเรื่องนางกินจะมานวิกาไปใส่ร้ายนั่นแหละชนะนางกินจมานวิกาว่าคือ สร้างเรื่องใส่ความด้วยการเดินเข้าออกเกิดพุทธบริษัทเดินกลับจากฟังทำนางนี่ก็เดินแอ บ, บเข้าไปซ่อนอยู่ในเชตวันนี่แหละตอนเช้ามืดก็เดินออกมาสวนทางกับทา ย, ยกทายิกาอย่างงี้นะถ้าถามบอกว่าจะไปไหนว่ากันเถอะนางก็เดินก็แอ บ, บเข้าไปอย่างเงี้ย น, นางก็จะตอบว่า ไปไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็แอ บ, บออกออกมาในเวลาตอนรุ่งทีนี้ผ่านไปอย่างนี้สองสองเดือนจะ ถ, ถูกถามอ่ะเราก็อยู่ในคันกดีเดียวกับพระสมณะโคดมนั่นแล้วสร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้คนที่ถามล่วงไปถึงสามสี่เดือนก็ใช้ผ้าพันท้องแล้วก็ ทำเป็นตั้งคันพอเดือนที่แปดที่เก้าก็ใช้ผ้าคุมรัดให้กลมหน้าท้องให้กลมแล้วก็ทบหลังมือหลังเท้าให้บวมทำเหมือนคนตั้งท้องทำใบหน้าเวลตาให้ดูบอบช้านางยืนแสดงตัวในขณะที่พระเจ้ากำลังแสดงทาอยู่นั่นหละที่เชตวั น, นแล้วว่าไปถึงปั๊บถือว่ากล้ามากเนี่ย ที่น้าวันแนศมณนะท่านแสดงธรรมแก่มหาชนเสียงของท่านไพเราะลิมพิปากท่านเนี่ยเรียบสนิท ด, ดีแต่ฉันต้องท้องเพราะท่านเนี่ยท่านแสดงในท่านบอกเวลานี้ครบกําหนดคลอดแล้วทําไมท่านยังไม่เตรียมเรือนคลอดให้ดีฉันตอนนี้เนยใสน้ํามันเป็นต้นก็ยังไม่มีเมื่อท่านไม่ทําเองทําไมไม่บอกอุปถากรได้คนหนึ่งของท่านที่จัดการ พระเจ้าเประเซนที่โกศลอนณาถาพิณิกาาเศรษฐีมหาบริการวิสาขาก็ได้จงช่วยทำสิ่งที่ควรทำให้แก่ฉันด้วยตัวท่านก็รู้จักแต่การอภิรมเท่านั้นไม่รู้จักจัดการคันเลยนี่ด่าพระเจ้า <c oughs> พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องที่เธอกล่าวมาจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยเรากับเธอเท่านั้นรู้กัน <c oughs> พวกนี้เนี่ยนางบอกว่ า, วางไงถูกแล้วมหาสมณะเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ท่านกระดิฉันรู้ <c oughs> บอกเรื่องเหล่านี้คนอื่นไม่รู้เราสองคนเท่า น, นั้นรู้นางย้อนแบบนี้ พระเจ้าดูก <watering>, ่อนน้องหญิงเรื่องท้องหรือไม่ท้องเราสองคนรู้กันเนี่ยแค่พระุทธเจ้าพูดแค่เนี้ยโอ้โหพบของเท้าสกะร้อนมาเท้าสกะตกใจเล้วมีเรื่องเกิดขึ้นกับพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เนี่ยเกิดการร้อนเนี่ยเท้าสกะไข้ควรแล้วเห็นเหตุดังนั้นแล้วก็ว่านางนี่ด่าพพุทธเจ้า ก็เลยบอกเทพพระบทสี่องค์แปลงเป็นลูกหนูเข้าไปกัดเชือกในท้องของนางจินยามานาวิกาพอกัดเชือกปุ๊บอ็ดไม้หรือนั่นก็ตกลงมาพอคนเห็นกันอย่างนั้นเบียดเสน็นต่อหน้าต่อตาเลยใช่ไหมเขาก็พากันลุมด่ารวมทำร้ายแล้วก็ด่า พากันถมน้ำลายรถศีรษะบ้างถือก้อนดินคว้างบ้างอะไรบ้างทุบตีนางก็วิ่งออกไปเนี่ยพอพ้นสายประเน็ดของพระเจ้าออกมานอกวัดเป็นดินก็แยกสูกลงมานางก็ตกลงไปในรอยแยกปุ๊บก็มีเปลวเปลวเพลิงแวบขึ้นมาแล้วเปลวเพลิงก็ปุ๊บปุ๊บดึงลงไปดึงลงไปปุ๊บหรือว่าตาย ก็เหมือนเปลวเฟิงขึ้นมาเย่างนีมน้ม้วนม้วนม้วนม้ว น, วนดึงฟุบลงไปเป็นเดินก็ปิดสนิทเก่าไปตำหนิใครไม่ไปด่าใครไม่ดา่ไดาไปดา่าระ้ด่าพระพุทธเจ้าเนี่เนี่ยแสดงเห็นใช้ว่านางจินจะมานวิกาเนี่ยกล่าวถึงพระเจ้าเประเซนที่โกสวนกล่าวถึงน้าถาวพิธิกาเศรษฐีกล่าวถึงนางวิสาขาแผนแรกเนี่ย แสดงให้เห็นชัดว่า น, นางนี่กล้ามากกล้ามากคนที่จะขนาดนี้ได้นี่ยมันโหไม่ธรรมดาแสดงว่าก็นับถือเดลาทีนี่ไม่ธรรมดาวางแผนกันไม่ธรรมดานี่นี่แผนที่หนึ่งนะนดูแผนที่สองดูแผนที่สองเพราะเธอเป็นสาวกสาวิกาของเดลอาที คือเธอเกลียดภิกษุเกลียดพระพุทธเจ้าที่ไปทําลายเพราะเธอนับถือสิ่งเหล่านี้ในมิจชาทิฏฐินี้คือสู้กันแรงมากเนี่ยเราจะมองเห็นว่าหนึ่เป็นการสู้กันค่อนข้างกะเล่นยอดเลยเล่นระดับพุทธเจ้าเลยนี่ไม่ธรรมดาคนใจกล้าขนาดนั้นแผนที่สองใช้นางสุนทรีบริภาชิกาเป็นเครื่องมือแต่คถาก็เราดีเลถีพยายามอีกครั้งหนึ่งจยงจะยังโทษทํายังไงให้พระสมณะโคยมได้เนี่ยก็พากันนั่งเป็นทุกข์ เดรถีทำทีเป็นมืนตึงเลยไม่คุยไม่พูดกับ น, นางสุนทรีบริภาริกาเนี่ยนางนี้เป็นคนหน้าตาผิวพรรณงามมากนางนี้ไปหาพวกกลุ่มนักบวชเดรถีไม่คุยด้วยนางก็ทุกใจว่าอะไรเป็นความผิดอะไรของเธอทําไมไม่คุยกันอะไรกับเธอเป็นต้นเหล่านี้ก็อตอว่าเจ้าไม่รู้เห็นบ้างหรือว่าพวกเรากําลังถูกพระสมณะโคโดมเบียดเบียนทําให้เสื่อมจากราบศกาอย่างหนัก แล้วก็ถามว่าเธอสามารถทำประโยชน์ให้แก่ ญ, ญาติทั้งหลายได้หรือไม่นางตอบว่าพวกท่านจะได้ให้ดิฉันทำอะไรได้บ้างดิฉันช่วยได้แม้แต่ชีวิตก็สละเพื่อประโยชน์แก่พวกท่านเพื่อรัฐทของเรากล้าสละชีวิตเลยว่างั้นทั้งๆ ท, ท, ที่ได้ข่าวนางกินจมวิกา ถ, ถูกเป็นเดมบอกฉันกล้านี่แปลว่ากล้าจริงไหมฉะนั้นกรณีที่ จุดไฟเผาตนเองไปบอมหรือไปทำไอ้คาบอมทั้งหลายพีชีพเนี่ยเนะี่ยอย่าแปลกนั้นะการขั้งาศาสนาการขั้งลทัทธิมีสมัยอะไรพุทธเจ้าแล้วจะเห็นชัดเลยเนี่ยทีนี้ท่านบอกแม้ชีวิตเนี่ยท่านกระสาแกก็นางเนี่ยบอกสามารถสละได้แม้ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติ พ่อนับญาติกันโดยการบวชพวกเดรธีจึงอธิบายแผนการแต่งตัวสวยเดินเข้าไปในวัดเชตวันให้ผิดเวลาแล้วก็ถ้ามีคนถามว่าไปไหนบอกไปนอนกับพระสนาโคดมให้พูดอย่างนั้นเลยนะแล้วก็ออกมาอย่างนั้นแหละทําเหมือนนางกินจะมานาวิกาเนี่ยให้ทําแบบนั้นแต่จะไม่ใช่แผนแบบนั้นทีนี้ให้นางทําอย่างนั้นอยู่ประมาณสองถึงสามวันแล้วก็จ้างให้นักเลงไปฆ่า ฆ้านางเนี่ยแล้วก็เอาศพไปฝังฝังไว้กองขยะใกล้กับพระคันตกุฏีใกล้กับกุฏิของพุทยาเน่ในสุนทรีสูตรเนี้ยหมกไว้ใกล้คูรอบรอบพระเทรวันนั่นจากนั้นกลุ่มเดลถีก็พากันเอกอว่านางสุนทรีหายไปจางไปหาเข้าไปเรื่องเนี่ย ถาไปเปเลือนแสนไปเฝ้าพระเจ้าป เ, า เ, า เ, าเาสนทิโกศลต้องการทําเรื่องนี้ให้กระจ่างว่านางสุนทรีหายไปไหนให้ตามหานาเข้านาเข้าก็ไปจริงจริงเดินไปตามหาคนพบศพนางพอได้ศพโอ้โหศพอยู่ใกล้พระคันณกดีกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไปตายในวัดเนี่ยเอาศพนั้นขึ้นเตียงหามแล้วก็เดินขบวนรอบกรุงสาวิตรี บอกว่าพระพุทธเจ้าสาวว่าพระพุทธเจ้าค่าปิดปากคงไปทำกรรมชั่วกับนางแล้วเนี่ยแล้วกลัวเรื่องความลับจะเปิดเผยมาเลยค่าถามว่ารุนแรงไหม <c oughs> เนี่ยเราจะได้เห็นว่าสถานการณ์พุทธศาสนาแบบนี้จริงๆเราไม่เคยเอามากล่าวกันอย่างนี้เนี่ยจริงๆควรเอาม า, าแสดงให้เห็นว่ามันมีภัยอย่างนี้มาจริงๆ <c oughs> อันนี้ขนาดพระทีเจ้ายัางทรงพระชนอยู่นะไม่ต้องพูดหลังในยุกปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงแล้วก็โพนธนาใส่ร้ายว่าเชิญดูการกระทําของเหล่าสมณะสากยาบุตรเถสมณะสากยาบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศีลมีธรรมที่เร็วสามกล่าวเท็จไม่ประพฤติพรหมจรรย์สมณะสากยาบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะ สมัญสักยบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรมเหตุใดฟังนะชายร่วมเพศแล้วต้องฆ่าผู้หญิงด้วยทีนี้อัตฉรถากล่าว่าเดลทีนำศพเข้าไปฟ้าพระราชาแล้วทูลว่าพวกสาวกของพอระสัมณพรมคิดจะปกปิดกรรมชั่วที่าศาสดาเขเองทำจึงฆ่านางสุนทรีไว้ในกองขยะพระเจ้าประเสรตที่โกศลไม่ทันไข้ควรนี้ดีก็แต่ถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเที่ยวประกาศไปทั่วเมือง พระเจ้าเซนิโกสลก็หลงเชื่อก็นำศพออกไปป่าประกาตามท้องถนนแล้วนำกลับมหาพระราชาตัดให้นำศพไปไว้ในสุสานครั้งนั้นพวกที่ไม่ใช่อริยาสาวกก็พากันหลงเชื่อใช่ไหมคนบุิชนธรรมดาหลงเชื่อเพราะเห็นภิกษุที่ไหนก็ดา่าได้วาจาหยาบคายโอ้เรื่องนี้เรื่องนี้เดือดร้อนมาก ภิกษุทั้งหลายก็นาเรื่องนั้นไปกราบทูลพระเจ้าว่าพระศ า, าสดาตรัสว่าเสียงโจ์เหล่านี้จะมีเพียงเจ็ดวันพ้นเจ็ดวันไปแล้วจะหายไปพระเจ้าว่างเงี่ยหนึ่งและตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายโต้ตอบยามถูกด่าประชุมพาทั้งวัดแล้วบอกวิธีการตอบโต้ทํอยังไง <c oughs> นี่ดูพุทธวิธีแก้ปัญหานะ บอกให้พูดเหมือนกันเวลาไปบิดทบาตหรือไปที่ไหนโดนดา่าให้พูดว่าคนพูดไม่จริงหรือคนที่ทำกรรมชั่วนะแล้วพูดว่าไม่ได้ทำต่างก็ตกนรกเหมือนกันเพราะต่างก็ทำกรรมชั่วและละไปแล้วก็ย่มเสมอกันหมายความว่าอะไรคนที่พูดไม่จริงกับคนที่ทำกรรมชั่ว พูดว่าไม่ได้ทําคนทํากรรมชั่วแต่พูดว่าตัวเองไม่ได้ทําเนี้ยต่างคนก็ต้องตกนรกเหมือนกันนะคนพูดไม่จริงก็ตกนรกคนทํากรรมชั่วทั้งๆ ท, ท, ที่ทําก็บอกไม่ได้ทําเนี้ยก็ต้องตกนรกเหมือนกันเพราะทากรรมชั่วเหมือนกันแล้วก็ละไปแล้วก็เข้าถึงความเสมอกันก็คือลงนรกเสมอกันให้พูดเหมือนกันอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็บอกว่าไม่ไปไ ป, ไปบอกไปแก้ข่าวว่าจริงหรือไม่จริงเนีะว่าอา้าวใคร พูดเท็จทำกรรมช่วยแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้ทำก็มีผลเสมอการตายไปแล้วก็ตกนรกเหมือนกันให้พูดอย่างนี้ตลอดเวลามีเสียงด่าปุ๊บก็หันไปแล้วก็พูดแบบสงบพูดแค่ประโยคแค่นี้แล้วก็เดิ น, นทีนี้ภิกษุทั้งหลายก็กาวตอบโต้ตามพุทธธรรมหลักพวกที่ด่าปริพาตก็เกิดความคิดความละอายใจว่าเราไม่ได้เห็นเอง พวกเราต่างก็ไม่มีใครเห็นภิกษุฆ่าพวกเราพูดเรื่องไม่จริงหรือเปล่าก็มั้งเนี่ยว่าคนที่พูดเรื่องไม่จริงตกนรกใช่ไหคนที่ไปทำกรรมชั่วแล้วบอกไม่ได้ทำก็ตกนรกเหมือนกันไม่ยุ่งเันเนี่ยพอพระตอบโต้มาอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมก็ละอายใจดิก็ละอายใจเอจ๊ะ <c oughs> ถ้าเราพูดเรื่องไม่จริงเกิดเรื่องนี้ไม่จริงขึ้นมา เราไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงๆเลยเนี่ยว่างั้นเถอะเสียงด่าก็หายไปภายในเจ็ดวันเนี่ยนะพระเจ้าเปอร์เสนต์ที่โกศลก็เลยมีครั้งหนึ่งก็เลยเกิดเรื่องนี้เกิดมาสั่งให้ราชบุรุษเนี่ยไปสืบไปไปมาๆก็ไปเห็นนักเกลงที่ดื่มสุราเนี่ยทะเลาะกันคนที่ไปฆ่าเนี่ยได้เงินมาแล้วเกิดแบ่งไม่เท่ากัน เนี่ยเรื่องก็จับได้พรจับได้ก็เลยตัดให้ล่ามโซ่พวกเดลทีได้บังคับให้ป่าประกาศความผิดของตนเองโอ้โหเตี๋ยนี้โหพออย่างนี้พอลาบสการลาก็เกิดใหญ่เลยลเตี๋ยวนี่ยแทนที่จะทําลายกับยิ่งเสื่อมหนักอีกใช่ไหมกลุ่มเดลทียิ่งเสื่อมเสื่อมเสื่อมหนักนี่แผนที่สองแผนที่สาม พออยู่ระยะหนึ่งขึ้นมาพอเรื่องนี้งะเริ่มเซิบสาวไปิสิ็จแผนที่สามนี่ติดสินบนพลาชาเลยตนี้ติดสินบนก็คือว่าในระหว่างก็คือประมาณสิบห้าปีแรกหลังแตสรู้นี่พอก็เริ่มชักชวนกลุ่มเดลิติชัคคนประมาณสักแสนสองแสนนี่แหละความกเา็เลี้ยะไรเงินได้จำนวน มากดนป่าพระเจ้าวิเสษนิโคสนันทูลว่าขอสร้างวัดของพวกเดรัจฉีติดกับวัดเชตวันอย่ง <c oughs> ที่สอมร้ายไหมพระราชาอนุญาตโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยสร้างวัดติดเหมือนสร้างมัสยิด ต, ติดวัดนี่เลยนี่เลยอืม ที่ตอนนั้นน่สาวกของพระพุทธเจ้าก็คัดค้านเนี่ยพพวกเดลถีอ่ะก็พาพวกอุปถาดํำเนินการก่อสร้างยกเสาส่งเสียงดังอึกกระทึกคึ้โคมพระพเจ้าก็ถามว่าเออเสียงอะไรพานนท์ก็บอกว่าพานนท์ก็บอกว่า พวกเดรธีกําลังสร้างวัดติดกับวัดเชตวันพระเจ้าข้าคนเหล่านี้เป็นศัตรูต่อศาสนาทําไมให้หมู่ภิกษุสงฆ์บอกว่าจะทําให้หมู่ภิกษุสงฆ์อยู่ไม่เป็นสุขเธอจงไปทูลกับพระราชาให้ลือออกพระเจ้าบอกพระนุนบ่าคนเหล่านี้เป็นศัตรูกับพระศาสนาจะเป็นเหตุทํำให้ภิกษุสงฆ์อยู่ไม่เป็นสุขดังนั้นขอให้เธอเนี่ยไปทูลพระราชาขอยห้ลือ ไไปสร้างที่ใกลๆเ ย, ยอะมสร้างตรงนี้ผ้านอนก็ไปไปยืนรอแต่พระราชาไม่ยอมเสด็จออกมาเพราะพระราชารับสินบน <c oughs> ทีนี้ไม่ได้เรื่องอีกพุทธเจ้าก็ส่งพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไปเลยนี่เอาอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาไป พระราชาก็ไม่ยอมออกมาพบอีกเพราะกลินสิ่งพ่นเขาใจเยอะเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสพยากรณ์ว่าพระราชาดํารงอยู่ในราชสมบัติของตนจะไม่ได้จะจะไม่ได้เพื่อเพื่อจะทํากาละถ้ายังเป็นกษัตริย์อยู่ในราชบัลลังก์ก็จะไม่จะยังไม่สวัสดิจะสวรสคตเมื่อพ้นจากราชบัลลังก์คงมุ่งไปที่พระราชา ที่จริงตรงเนี้ยที่ตรัสในลักษณะเนี้ยต่อมาวันหนึ่งอ่พระพุทธเจ้าเสด็จเองพร้อมที่พิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ไปเองเลยตรเนี้ยงานงงานี้ขาดใหญ่พระพุทธเจ้าเสด็จเองเลยพอไปที่ไปประทับยืนอยู่ที่ประตูพระราชวังพระพุทธเจ้าไปประทับยืนเองเลยงานนี้เหมือนประท้วงใช่ไหมแต่พระยังไม่เคยทำในเรื่องแบบนี้จริงๆเห็นไหมว่า อันนี้ไม่ไแนะนำถ้าพระเราได้อ่านเรื่องเราเนี้ยให้ดีๆวิธีการง่ายที่จะแก้ปัญหาหมื่นรูปสองหมืนรูปเนี่ยไปยืนหน้าพระราชวังได้ถ้าจะทำอะไรแก้ไขได้จริงนะเนี่ยเหมือนพระเจ้าทำเนี่ยยืนขอพบพระราชาทีนี้พอพระพราชาทราบปุ๊บโอ้โหตกใจมาก กราบทวบุ้ยพระเจ้าให้เขาเป็นพระราชนิเวศประทับนั่งบนราชบัลลังก์ถวายข้าวต้มของเคี้ยวพระศ า, าสดาเสวยข้าวต้มของเคี้ยวเสร็จแล้วไม่ได้ตรัสถึงเหตุที่เดินมาแต่ตรัสอมอบและเล่าเรื่องว่ามหาบพิตรขึ้นชื่อว่าการกระทำให้พวกบรรดชิตทะเลาะ ก, กันไม่สมควรนะ พระราชาในอดีต ท, ทำเหตุให้พวกฤาษีทะเลาะ ก, กันเป็นเหตุให้แวนแควนนั้นจมลงในมหาสมุทรเคยเล่าหรือเล่าอดีตการยกนิทานกันมาเล่าใครจะกิวเขาเชิญได้ทีนี้พระราชาก็ตัดถามเรื่องเป็นอย่างไรพทะเจ้าข้าบอกนะพระเจ้าก็ตรัดเล่าว่าครั้งนั้นน่ะที่แควนพุรุมือฤาษีสองคณะสองกลุ่ม อยู่คนไม้ใหญ่คนละต้นต่อมาต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตายก็ย้ายไปอาศัยคนต้นไม้เดียวกันแต่ฤาษีคณะที่อยู่ก่อนไม่ชอบใจต้องการให้ฤาษีคณะหลังย้ายออกไปเนี่ยก็เลยเนรมิตล้อทองคำและเผารถไปติดสินบนให้กับพระราชาเพราะมีฤทธิ์เนี่ยก็ทำล้อทองคำเข้าไปหาพระราชาต้องการจะให้ฤาษีกลุ่มนี้ออกใช่ไหม ก็ไปติดสินบนพระราชาให้พระราชาช่วยพระราชาให้พวกทหารไปฉุดฤาษีเนี่ยคณะหลังออกจากโคนต้นไม้ฤาษีคณะหลังก็เลยนนลมิตรหน้าต่างรถทองคําไปติดสินบนบ้างพวกทหารก็ขาดไล่ฤาษีคณะแรกฤาษีไปไปมาฤาษีทะเลาะ ก, กัน เรากำลังทำกิจที่ไม่สมควรในการเป็นฤาษีก็ย้ายไปอยู่ที่เชิงเขาย้ายไปหมดเลยพอฤาษีย้ายไปเทวด า, โ, ดาโกรธมากโกรธพระราชาเนี่ยโกรธเมืองนี้มา <c oughs> ก็เลยบันดาลทำให้น้ำทำให้ฝนตกที่สุดจริงพื้นที่บริเวณหนึ่งพันโยชนี่ยกลายเป็นมหาสมุทรไปเลยคนตายกันเพียบ พอพระศาสดาตราัสเสร็จพระราชาใค่ควรการกระทำของตนเองเห็นว่าไม่สมควรแล้วก็ตัดสั่งให้คนไม่รำวกเลยทีลอทีออกไปบกริมส่งทหารไปจัดการให้เป็นลือ้อให้ไปขับพวกลืออดีาีออกไม่ให้สร้างวัดในที่นั้นเนี่ยนี่นี่เป็นอย่างนี้นี่แผนที่สาม แผนที่สี่เดรัีบิดเบือนและจมตีคำสอนแล้วก็พวกเดรัฎีเนี่ยเพี่ยงพรำมาตลอดเนี่ยนะด้วยความบริสุทธิ์ของพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แต่พวกเดรัฎีก็ไม่ลถความพยายามเนี่ยวิธีที่ใช้บ่อยก็คือบิดเบือนว่าคำสอนเช่นเนี้ยซึ่งเป็นคำสอนที่ผิดพลาด คือพระเจ้าวิกษุส2มีราษสร์กาลเกิดขึ้นมากเดวิดเรทีก็เที่ยวไปพูดในตระกูลต่างๆว่าพระสมณะโคโดมกล่าวว่าให้ทานแก่เราเท่านั้นไม่ควรให้ทานแกพวกอื่นควรให้ทานแก่สาวกของตนเองเท่านั้นไม่ควรทานไปต้นไปบิดเบือนเนี่ยคำพูดเหล่าเนี้แพร่หลายกระจายไปยในราชตระกูลพระเจ้าเปร์เซนต์ที่โกศ่วนภาษาซปุ๊บไม่ชอบภระาไทย ดำหลีว่าเป็นไปไม่ได้ที่พรุทธเจ้าจะสอนอย่างนี้และต้องการจะแค่แก้ข้อกล่าวหาก็โปรดให้ตีกองประกาศยกเว้นเด็กและผู้ใหญ่ให้มาที่เขตวันวันนั้นเป็นวันมโหรสพใหญ่พระราชาก็เสด็จในพระวิหารพร้อมทหารหมู่ใหญ่ในะมหาชนก็มากันเยอะหมดเลยแล้วพุทธเจ้าก็แสดงธรรมว่ามหาบาพิษจิตเลื่อมใสในที่ใดให้พึงให้ทานในที่นั้น แล้วทรงอธิบายคําถามสองคำถามว่าหนึ่งควรให้ทานแก่ใครตอบแล้วก็จิตเลื่อมใสใครก็ให้เกิดคนนั้นนี่ข้อข้อแรกนะข้อที่สองให้ทานในที่ไหนแล้วมีผลมากให้ทานให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากทานที่ให้แก่คนทุศีลไม่มีผลมากอยงนี้เป็นตน้นหนึ่งจิตเลื่อมใสณนะที่ใดให้นะที่นั้นให้ไปเลยแต่กุศลจิตเกิดแล้วให้ให้ใหนี่นี่ข้อแรกข้อที่สอง ให้ทานแก่ใครถึงจะมีผลมากก็ลำดับของคุณธรรมในการให้ทานอย่างนี้เป็นต้ น, นพอพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ดีัจฉีก็ถูกทำลายเห็นไหมเราจะเห็นชัดในเรื่องการถูกอนเรื่องเรื่องการบิดเบือนคำสอนเนี่ยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอันนี้ที่จริงแผนมีหลายแผน<อ>นะ<อ>นี่เล่าให้ฟางพอเป็นใจความตรงนี้จะได้เกิดความเข้าใจว่า พุทธศาสนาอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยคนก็ไม่ชอบใจเยอะกลุ่มวิชาธิตีทั้งหลายก็ไม่ชอบใจแต่ในประเทศเราเนี่ยพุทธศาสนามาได้ถึงขนาดพวกเรานี้ก็ไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมตอนนี้พุทธศาสนาที่แท้แทจริงๆก็ค่อยๆลุ่น <laughs> นั้นพวกเราทั้งหลายก็นีมองให้เห็นแล้วเราจะได้เข้าใจสถานการณ์ว่าจริงๆอะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมเป็นเรื่องเก่า พอเข้าใจยังมีประเด็นอะไรถามใชม่บรรดาสิ่งเหล่านี้จะไม่หมดไม่หมด เ, เรื่องเป็นเรื่องปกติเมื่อเราคนคำสอนผิดผิดก็ยังต้องคำสอนผิดผิดเป็นคำสอนที่อยู่คู่กับโลกคำสอนที่ถูกเป็นคำสอนที่มีได้เฉพาะกาลเวลาพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาคู่โลกแต่เป็นศาสนาเฉพาะกาลเวลาที่จะมาดึงเอาคนดีมีปัญญาทลาหลายออกจากวัฏฏะทุกพะกลุ่มเหล่านี้หมด บรรดาประชาศาสตร์ทั้งหลายก็อยู่ความมืดบอดต่อไปก็เป็นแบบนี้วัตถุศาสนายังมีได้เป็นช่วงครั้งชั่วคราวไม่ใช่ไม่ใช่คําสอนที่คู่กับโลกคําสอนที่คู่กับโลกก็คือคําสอนที่ผิดที่เห็นผิดใช่ไหมกว่าภริยาจะอุบัติเกิดมามาแก้ความมืนผิดให้ถูกนี่โมยากไหมเอาตัวเราเป็นเกณฑ์เราจะรู้อยู่ โอเคต้องกนเกี่เวลายัง